นี่วันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองถ้าจะว่าไปแล้วก่อนเดือนสิบสองเพ็เน่เป็นวันสิ้นปีแต่เดี๋ยวนี้มันใครข้าว่าขึ้นปีใหม่มาแล้วงั้นแทะปีใหม่สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแต่ตามจันทรคติเพราะพุทธศาสนาเนี่ยนับตามพระจันทร์เด้นับเป็นเดือนว่างั้นแทะเข้าพรรษา เดือนแปดเพนออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดเพนอันนี้ก็เดือนสิบสองเพนเนี่ก็เป็นวันสิ้นปีเพราะว่าฤดูหนาวถึงสิบสองถึงเดือนสีน่เพนฤดูร้อนจากสี่เพนถึงปแปดเพนฤดูฝนถึงแปดเพนถึงสิบสองเพนน้ฤดูฝน นั่นหะสลับกันไปสามยอดสามระดูเพราะนั้นวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่มาแล้วเพราะงั้นเดนได้สิบห้าวันแล้วตามจันทรคติเพราะนั้นจรัทาญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็คือวันพระเป็นวันอาทิตย์ด้วยดูๆแล้วก็อุ่นน้าฟ้าข้างวันนี้มาหลายคนมาหลายท่านจากจาตุรทิศจากที่ต่างๆ มาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญกุศลการสรั่งสมบุญกุศลสีสร้างบุญสร้างให้แก่ใครไม่ใช่สร้างให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งนะสร้างให้แก่เรานะนะั่นแหะเป็นอันดับแรกอ่ะอหางสุขิโตโหมิขอข้าไปเจ้าจงเป็นสุขต่อไปจึงสัพเพสัตตาสุขิตาหนนตุกขอสรรพสัตว์ทางหลายจงเป็นสุข เข้ากับคําที่พระพุทธเจ้าสั่งเอาไว้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานท่านก็บอกว่าขยาวยธรรมาสร้างฆ่าราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติขอท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดอันนี้คือท่านให้ดูตนซะก่อน ตนอยู่ในที่ปลอดภัยซะก่อนจึงช่วยคนอื่นหรือว่าพอที่จะช่วยคนอื่นได้ก็ตนก็เป็นหลักพอสมควรไม่ใช่ว่าว่ายน้ำโดยกันกอดคอกันจมงไปในน้ำอันนี้ถาว่าถ้าพอเราพอจะช่วยเขาได้กำลังเราหเหนือกว่าเราก็ต้องช่วยเขา่อันนี้คือว่าอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เพรอย่างพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะสอนเวีนยสัตว์ทั้งหลายท่านกับภาวนาของท่านเนีไปบําเพ็ญทั้งท่าน ท, ทั้ง6ปีเอ่อบำเพ็ญที่เอ า, บเเอ า, อาแบบรอดตายแบบนั้นเถอะแบบอกกลิตเลยแบบนั้นเถอะเอ่อบำเพ็ญอย่างสุดๆแบบงั้นเถอะเอออดพกยกาหารก็ถึง40กว่าวัน49วันเออผอมโกรกเลยแบบนั้นเถะ แล้ววิธีอย่างอื่นอีกอยู่ในพระไตรปิฎกท่านพูดถวายวิธีการทรมานพระองค์มีมากมายการบําเพ็ญพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ก็รู้ว่าทางไหนผิดทางไหนถูกทางไหนเหมาะทางไหนสมควรอย่างไรจากนั้นบอกพอพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ธรรมแตนี่ได้สําเร็จถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธองค์ต้องประสงค์แล้วทตนี่สุดละในพระธรรมคําสั่งสอนคือพบหลักธรรมอัน เป็นแกนสารเป็นสาระแล้วคือบริสุทธิ์ธรรมแล้วว่างั้นเถิอทําอันบริสุทธิ์แล้วจากนั้นท่านก็มานั่งทบทวนดูแลท่านนี่เขียนแผนที่ว่างั้นเถิดทนีนเ อ, อ่ที่เราทํามาในหกปีเนะี่ยตรงนั้นโคดตรงนี้โคง้งตรงนั้นงองเ อ, อตรงนั้นไม่ตรงที่จะมาถึงจุดนี้ได้ถึงบิสุทธิธรรมนี้ได้จากนั้นพระองก็นั่งทบทวนดูแล้วจากนั้นก็ วางแผนอะไรท่านนี่วางแผนการสอนสัพสัตท้งหลายสัพสัตสัตตะแปลว่าผู้คล่องนีไม่ใช่สอนสัตว์ที่ได้ชานิไม่ใช่เนี่ยคำว่าสัตตะในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าาสัตตะแปลว่าผู้คล่องคล่องอยุทธิภพในชาติลูกประพบกามะพบูประพบอรุปประ พ, รระพนี่ว่าไตรโลกธาตุนี่ไตรแปลว่าสามนี่กามโลกลูกปโลกอรุปรโลกกามะโลกคือโลกมนุษย์เทวดา ลูกประโลกเปโวท่อมอะลูกประโลกเปวทอรุปประทมพวกนี้พระพุทธเจ้าจาัดว่าสัตว์ทั้งหมดว่างั้นเถอสัตตะแปลว่าผู้คล่องอยู่ในภพในชาติจะต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารพวกพุทธเจ้าเนีวางแผนที่ให้สัตตะวโลกทั้งหลายเดินหาทางพ้นทุกข์ว่างั้นเถอเพราะว่าสัตตะวโลกโลกทั้งหลายนี่เดินวนเนี่ยวนเวียนอยู่ในวัฏตนอย่างั้นเถอวนอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวนอยู่นี่ เหมือนกับมดแดงไตขอบล่องอย่างนั้นน่ะเออหรือว่ามดแดงไตขอบกระลำบางอย่างนั้นน่ะไม่มีที่สิ้นสุด ต, ตายอย่งั้นอย่างนั้นเลยอันนี้เหมือนกันน่ะสัตว์ตโลกของเราเนี่ยคหมุนเวียนอยู่ในโลกในะลักษณะนั้นละ่ะพระพุทธองค์ท่านจึงวางหลักธรรมเอาไว้บ้า เ, เพื่อให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัตินี่แหละมีแนวแถวแนวทางออกไปเพราะนั้นพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายแนว เ, เหมือนกับห้างสปปรรพสินค้านั่นแหละสำหรับคราวาตกัให้มีศินห้นี่แหละเป็นพื้นฐานะก่อนมีทานมีศีลมีภาวนาทําไมเราจึงมีให้ทานพราะพระเจ้าจึงสอนให้ทานจึงเสียสละของตนให้แก่ผู้อื่นท่านบอกว่าการให้ทานอันนิสงแห่งการให้ทาน เกิดมาพบได้ชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากเป็นผู้จิตใจกว้างขวางเหมือนกับเราเปิดประตูน้ําถ้าเปิดกว้างน้าํามาไหลเข้าหมักไหลออกก็หมักไหลเข้าก็หมักถ้าเราเปิดแคบน้ําไหลเข้าก็แคบไหลออกก็แคบถ้าเราปิดเลยเราไม่ให้แก่ใครเขาก็ไม่ให้แก่เราเพราะในสูตก็เลยแห้งแห้งกลังไปเลยเพราะ ง, งั้นแต่น้ําขอดลงไปเรื่อยๆ อ, อันนี้พระภิกษเจ้าทันไหวสอนให้มีน้ําใจ พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายควรจะสงเคาะสงหากันอย่างไรท่านให้มีการสงเคราะ์ให้มีการเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสําหรับลู ก, กควรจะเผื่อแผ่กับพ่อแม่อย่างไงพ่อแม่ก็ควรจะเผื่อแผ่ลูกอย่างไงเมือ่อลูกยังเด็กยังเล็กพ่อแม่ให้ทุกอย่างน้ํานมกินกับจากแม่ข้าวน้ําปัจจัยดูดกินจากแม่ทั้งหมดทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งหมดเลี้ยงดู แต่เมื่อเราใหญ่โตขึ้นมาแล้วเราก็ควรจะทดแทนพ่กคุณของพ่อของแม่อันนี้ก็คือการเสียสละต่อกันนั่นรู้จักกาละเทสะงั้นแต่การทดแทนบุญคุณซึ่งกันละกันอันนี้ว่าทานะคือการให้ทั้งหมดน่ยถ้าว่าไม่มีการให้ทานไม่มีการเสียสละสัตว์สาหราสิงหมูหมากาไกา่ก็อยู่กับเราไม่ได้พราะเราไม่ได้ให้เขาถ้าเราให้เขาเขาก็พึ่งพาอาศัยเรานี่แหละมนุษย์ ชาติต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจังหว่าทานะคือการให้คนที่ให้ไปที่ไหนกันมีแต่คนยินดีต้อนรับได้เลยท้าวาจะไปเอากบกับเขาเดี๋ยวด้วยมากเขาจะปิดประตูเลยมัน ง, งั้นแต่ท้าว่ามีคนให้เนี่ยยินดีต้อนรับเนะพราะนั้นทาว่าพวกเราไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ก่อพี่น้องทั้งหลายก็ยินดีต้อนรับถ้าเราไปให้นะถ้าเรามีจะไปขอเขาเขาก็ไม่อยากจะให้ขึ้นบ้านบนแล้วอันนี้แหะ ฐานะพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ชาติลูกมนุษย์คนเราในเสียสละเนะี่ยมีประโยชน์เด้แต่อย่าให้มันเกินไปเท่านั้นอนะ่ะการทําอะไรอย่าให้มันเกินไปแต่ว่าการเสียสละนั้นมีควรจะมีควรจะแบ่งปันให้แกพ่พี่แก่น้องแก่พ่อแก่แม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเราเนะนะี่ยควรจะแบ่งปันจากนั้นก่อนสมณชีพามนักบวชนะทําบุญทําทานตักบาตร ถวายปาตาหารอย่างพวกเรามาทําอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือการเสียสละก็คือการทําทานคนที่มีจิตใจกว้างขวางมีการทําบุญทําทานแล้วเกิดมาพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดอยากเด้ไปในสถานที่ใดกัเหมือนกับดอกกุหลาบเท่านั้นเถอะด อ, ดอกกุหลาบโปรยทางไว้แล้วว่างั้นเถอะไปโดยทางไหนลาพผึ่นไปหมดคนมีจิตใจกว้างขวา ง, วางจิตใจมีทานคนที่มีศีล ผลที่มีศีลรักษาศีลให้เรียบร้อยอายุยืนยาวร่างกายเสร็จสวยงดงามศีล น, นี่ยคืออาภรณ์คือผ้าปกคุมทางจิตใจนะแต่คนมีศีลแล้วไมาแปลว่าเป็นผู้ไม่เปื่อยเพางั้นไม่ไปที่ไหนไม่เปื่อยไม่เปื่อยใจเพราะงั้นจะเป็นผู้มีศีลมีกรอบมีศีลธรรมประจำใจเกิดมาพบได้ชาติใดกอ็อายุยืนยาวเสร็จสวยงดงามเนี่ย เกิดในสกุลที่สูงว่างั้นแหล อ, อทานเกิดมาพวกอะไรร่ำรวยได้บนะ้างเนาะสินนี่ให้สวยงามเออภาวนาเอ่ อ, อ, อ, อทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีปัญญาเออไม่เป็นบ้าใบ้เสียจุดไม่ปั่มปั่มเปรเปอร์ว่างั้นเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาเป็นคนมีความสัจจริงเออเป็นคนที่น่าครบนับถือพูดอะไรเป็นศินเป็นธรรมให้แก่ผู้คนญาติพี่น้อง อันนี้คือภาวนาสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนาเป็นหลักของพุทธศาสนาพวกเราควรจะกระทําเพราะงั้นทานก็อย่างที่พวกเท่าทานเนี่ยศีลก็รักษากายว่าจะให้เรียบร้อยไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโ ม, ขมยทรัพย์ศีลห้าข้อนัะนะ่นแหละพวกเราก็เคยได้ศึกษาเคยได้รู้เรารักษาค้อหนึ่งได้ไหมสองข้อได้ไหมสามข้อได้ไหมโพธิสัตว์ ได้ทั้งหากข้อได้ไหมเ่าเรางดดื่มสุราเราเห็นได้ชัดเลยเราจะไม่กินสุราเด็ดขาด เ, เพราะกินสุราเขาไปไม่เช่นไม่ใช่ผลดีเขาก็ประกาศเปล่าๆผลแห่งสุราเป็นยังไงมีทำให้คนอื่นเดือดร้อนขับรถไปก็ชนขู่ชนคนรถของเองก็เสียหายทะเลาะวิวาทกับครอบครัวมันดีไหมอย่างนั้นข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะ ถ้าว่าใครดื่มสุราอยู่ก็ไ ด, ได้ยินได้ยินหลวงพ่ออินพูดเดี๋ยวนี้นะได้ยินหลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้นะเออใช่เนี่ยมันเป็นสาเหตุแห่งเรื่องไม่ดีจริงๆสุราเข้าไปเจ้าจะยุดละตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยไปอาธิษฐานต่อหน้าพระประธานเนี่ยพระพุทธอุดมมงคลเนี่ยพระพุทธลูบนะใหญ่เนี่ยเน่ยพระพุทธอุดมมงคลนะท้าวว่าใครอาธิษฐานเนี่ยเป็นอุดมมงคลทั้งนั้นแหละเข้าไปเจ้าจะงด กินเหล้าเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่แต่อีก เ, เ, เรื่องสุราอนนี้ก็เป็นผลประโยชน์เลยเนี่สินข้อที่5้าเนี่ยเรารักษาเอาเอายอดมนันเลยเหมือนกันเถิดยอดความชั่วทั้งหลายมันอยู่เนี่ยข้ อ, ข, อข้อสุรานี่แหละ เ, เพราะนั้นพวกเราทางงดได้กว่าดีนะหลวงพ่อว่านะาถ้าไม่งดไม่ได้ก็ค่อยเพ่าๆเพ่ า, พ า, พาลงาแล้วก็หยุดเหมือนนเถิต้องพยายามหาทางลงเหมือนกันเถ อ, อย่าให้มันขึ้นเหมือนกันเถ โุลาไม่ใช่ของดีได้ถ้ากินเข้าไปแล้วกับมึนเมาเข้ามากับางทีก็เสียราชการเสียผีเสียน้องเสียเพื่อนเสียฝูงเสียไปหมดว่างั้นเถอะแต่เพรานั้นทางงดได้ก็ดีดีที่สุดนะแต่ถ้ารักษาศี่สี่้าข้อไม่ได้เอาข้อสุดท้ายก็ได้ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะก็ข้อที่หนึ่งควรจะงดนะการฆ่าสาตัตว์ชีวิตนะพราะเราก็อายุแกมากแล้วไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่ดีได้ ชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตของเราเราก็รักเพราะนั้นจะไปฆ่าเพราะเราอายุแกแล้วหยุดซะอันนี้ก็รักษาได้ก็ดีสําหรับผู้เฒ่าผู้แกนะอาทิตย์นาทานก็ไม่มีปัญหาอย่าการมีสุริมิชฌาจาริก็เพ่าไปแล้วไม่มีปัญหาเท่าไหรนะ่นะมีแตมุสาโกหกบ้างกระทำบรรดาหนี้นิดหน่นอยทําไม่ทาให้เสียหายก็ไม่เกิดเสียหายมากนะอันนี้สิ่งของพระพุทธเจ้าส่วนสมาธิก็ ไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งภาวนาในที่นี้นะนั่งพุทโธพุทโธก่อนนอนนะเะวลาจะนั่งภาวนาให้ดับวิทยุโทรทัตซะก่อนถ้าเขาดูโทรทัศน์วิทยุแล้วเขาให้ดูเขาดูไปก่อนอจากนั้นเมื่อบางว่างแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนานั่งพับเพียบ ก, ก็ได้นั่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจอันนี้เราภาวนาเบื้องต้นนะะถ้าว่าต่อไปสนใจศึกษาเนี่ยค่อยมาถามหลวงพ่ออีก หลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังให้ละเอียดเลยทะนี่วิธีการแต่เบื้องต้นให้นั่งไหว้พระจบแล้วก่ปนปนมือก็ได้ปนมือพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจเจ้าข้านาทีสิบนาทีทําใจให้สบายสบายไม่ต้องคิดนู้นคิดนี้นะนีแต่ปีน ม, มีแต่คิดแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียวนะ่ะอันนั่นแหละคือภาวนาเบื้องต้นนะต่อไปถ่ายรายละเอียดศึกษาเราก็ต้องศึกษาต่อไปนะ พอการทำงานทุกอย่างเรื่องอะไรทุกอย่างเราต้องศึกษาไม่ใช่จบเพียงแค่นั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละภาวนาเบื้องต้นหลวงพ่อว่าสอนว่าไม่ผิดแล้วงั้นเราไหวพระจบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งภาวนาหรือว่าตอนตื่นนอนมาเราก็นั่งภาวนาอีกก็ได้นั่งสงบใจให้จะทำใจให้สบายสบายก่อนที่จะไปทำงานนะนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโให้ใจแบบสบาย Ừ, วางอารมณ์เหมือนกันอะอย่าให้มันเครียดอย่าให้มันโกรธวางอะไรทั้งหมดไว้ในในเรื่องทั้งหลายให้ใจเป็นเอกเทศในช่วงนั้นเหมือนกันนี่แหละอันนี้ก็คือภาวนาทานซินภาวนาทั้งสามอย่างนี่คือหลักของพุทธศาสนาคนที่ทําได้คือทานเกิดมาพบใดชาติได้ร่ํารวยไม่ทุกข์ไม่ยากไปที่ไหนก็อพออยู่พอกินพอเป็นพอไปทํามาค้าขายก็เอพอเลี้ยงชีพได้ แย่ไม่ฝืดเครื่องอันนี้สงทานอั น, นิี้สงสิณอายุยืนยาวร่างกายเจ็ดสวยงดงามมีความร่มเย็นเป็นทุกข์ไม่มีใครมาเบียดเบียนรังแกรังควาเนเอาเพราะอั น, นิี้สงสิณคุ้มครองแต่พบอดีชาตินะอั น, นิี้สงภาวนาค่จิตใจของเราก็เบิกบานคิดอะไรก็ปลอดโปรง่งมีสติมีปัญญาไม่เป็นคนบ้าใยเสียจิต อ, อันนี้อั น, นิี้สงภาวนา ทั้งสอย่างนี่พวกเราควรจะประกอบเข้ากันนะตอนนี้ไปลุงพ่อจะจะให้พรนาฏณีนะพูดฟังให้ฟังเป็นข้อคิดประจําวันประจําวันพระวันนี้ญาติยโยมมาหลายคนตอนนี้ไปรับพรทนีนะอนุโมทนาให้พรก่อนที่จะรับพรอนุโมทนาให้พรกับพวกเราให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลนะวันนี้ได้มาทําบุญ อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ่งสาขนายาตญาติมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยที่พว ก, กเราได้ผ่านมาหลายภพหลายชาติอาจจะมีญาติพี่น้องของเราขาดตกบกพร่องอยู่องอาจจะตกพุกได้ยากอยู่ขอให้ดวงวิญญาณมารับส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยที่ผู้ข้าได้ทำบุญในวันนี้นเวลารับพรกับอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อพูดน่นนะ